ก็ออโอกาสเพื่อนสาสรธรรมิกที่รรบทุกๆรูปจันทรพรมายังคุณแม่ชีรอมทา้งบาศอุบาสิกาที่สนใจมาเปิดธรรมฝึกสติในช่วงนี้ทุกท่านเมื่อกี้เราสวดกันในบที่เรกวัาธรรมจักรกับป่าวันสูตวัดธรรมจักรนี่จะเป็น พ่อแม่ของธรรมเลยตอนเกิดมีการบรรลุธรรมภาพรูปแรกคือพรัญญาตุโคทัญญาที่เราสวดกันเมื่อสักครู่ัญญาสีวัฏโกโพธัญโยัญญาโกทัญญารู้แล้วหนอรู้แล้วหนอพระสงฆ์รูปแรกของโองที่เราสวดกันเมื่อเช้าอ น, นันตะลักณะสูตรก็แตกมาจากบทนี้น ที่ทำให้ปัญจวัคคีบรรลุธรรมมีการฟังธรรมมีตามีการคล้อยตามใจิตใส่ใจตามเคยไปที่เมืองพาราณสีปีที่ปลายสิปัตนนมมัคทาหวันเนี่ยเคยไปดูอยู่อยู่ห้าครั้ง 7, 7็ครั้งตรงนั้นะไปดูเห็นกระปั้นเป็นรูปรูกที่1 2สอ เรียงๆงกันไปนะต้องหมดห้ารูปนะทีนี้ที่ว่าหกเจ็ดก็จะมีรูปของท่านธรรมปาละอะไรอยู่แถาๆนั้นนั่นเองนะแล้วก็รูปองค์ตมเด็ดสัมมาสมาุนเจ้านะรวมทั้งปัญญวิคีก็ไปเห็นอัญญาโกฏัญญานี่ตั้งใจฟังมากในรูปปั้นมีสมาธิอาการฟังนั่งหลับตาปีส่วน าอาสาชีเนี่ยลืมตาแล้วก็หันไปมองข้างนอกแบบไม่สนใจคนปั้นเขาก็เก่งใส่จิตวิญญาณของรูปปั้นลงไปนะมรรลุทําก่อนะวางอาการวางใบหน้าท่าทางอย่างไรนะให้คนดูนะทีนี้มันก็แตกมาอีกหลายสูตรเหลือเกิน ออกมาเป็นอาทิตตะริยยสูตรสติปตฐานสูตรหรือว่ามงคลสูตรอีกมากมายเหลือเกินที่เราสวดสวดกันทุกวันนี่มันก็เป็นของที่เรียกว่าฟังแล้วถ้าเราคล้อยตามเห็นด้วยนะันก็เกิดอาการที่เรียกว่าจิตพัฒนาขึ้นมาการสวดมนต์ทีนี้ เคมีอยู่คนหนึ่งอันนี้จะพูดให้เป็นอุทาหรณ์เฉยๆนะป่วย <c oughs> เป็นอุทาหรณ์ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งอีกหลายๆคนนะที่ที่มีภาพนี้อยู่ก็คือก็ชอบสวดมนต์เหมือนกันนะคือกุ้งแล้วก็ก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะอยู่ที่ชัยภูมิคนนี้ชอบสวดมนต์มาวัดเมื่อไหรก็เห็นสวดมนต์นี่แหละ มันเอะใจตอนหนึ่งก็คือไปเยี่ยมไปสวดมนต์ให้ฟังไม่ฟังเปิดเทปวันนั้นก็ไม่ฟังบอกพอพอพอพอเปิดได้เท่ามานันนาทีเดียวนะพอเริ่มต้นก็บอกไม่เอาไม่เอ า, เ, อาเป็นมะเร็งทีนี้วันท้ายๆสองวันท้ายๆก่อนที่จะขาดใจตายก็ให้จิตมันน้อมมาเป็นบุญเป็นกุศลนะฟังเทศฟังธรรม สวดมนต์ปรากยตอนสวจ ม, มนต์มีปัญหาเลยจิตไม่ยอมรับเลยรู้สึกแม่ก็นั่งอยู่ในเนี้แม่อยู่ก็โยมสาครเราก็ไปเห็นโอน้สิ่งดีๆก็มันรับไม่ได้แต่บุญเนี่ยรับได้บุญที่เกิดจากการให้นะรับได้ที่เป็นวัตถุเอาดอกบวับวบอก็ทำบุญด้วยนะ โยมเคยทาบุญกับพระมาเยอะแล้ววันนี้ขอทําบุญกับโยมเก็บดอกบัวมาอะรับดอกบัวพระจะทําบุญกับโยมก็วระลึกได้เออเนี่ยมันคือบุญเอาดอกบัวมาเคาะที่ศีรษะตัวเองอันนี้คือบุญของสูงพระเป็นผู้ให้ให้เขาเหมือนกับว่าค่อยๆมีสติขึ้นมาที่เราจะให้สวดมันมีสติอะไม่ไม่มี แต่ให้วัตถุสิ่งของพูดดีๆอ่ามีปลาบวชมาหลายรรษาแล้วนะถ้ามีความดีมีบุญอยู่ก็มอบให้ยมกุ้งคนเดียวเลยนะฟังแล้วก็รู้สึกใจเป็นบุญขึ้นมามีเลี่ยวมีแรงยกดอกบัวอเข้ามาเคาะศีใสแล้วก็บอกเขาว่าอ่ะถ้าตอนนี้มีสตินะเคยฝึกสติมาถ้ามีสติตอนเนี้ยลองยิ้มให้ดูหน่อยเลยก็กหันไม่ยิ้มนี่ คนกําลังรอแล่รอ แ, รแลนะเครียดมีความมีตัวคำนวณสูงะก็หันมายิ้มให้เออมันเหมือนกับว่าเขาก็มีสติขึ้นมาแล้วเขาก็ถามปลาว่าไม่เห็นอาจารย์พาฝึกสติเลยไอ้คเนี้ยสะดุดหูมากไม่เห็นอาจารย์พาฝึกสติเลยมันสะดุดหูเลยโอ้นี่นี่ น, น, นี่ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้แล้วเสร็จแล้วามามามาฝึกสติกัน วันนั้นก็จัดบรรยากาศคนเฝ้าไข่แม่แล้วคนที่เข้าเยี่ยมมานั่งเจริญสติกันในห้องเป็นเพื่อนวันนั้นตัดสินใจได้ว่ากลับบ้านกลับไปตายที่บ้านก่อนหน้าตัดสินใจก็ไม่ได้เราจะทำไงกันดีจะอยู่โรงพยาบาลต่อหรือจะไปจุลาหรือจะมาวัดป่าสุขโตปฏิบัติธรรมในตอนสุดท้ายก่อน ใ, ใจจะขาดก่อนที่มันจะใกล้ตายเต็มทีมาอยู่วัด ก็ตัดสินใจเลือกไปที่บ้านทีนี้เราก็ได้เห็นว่าโอ้การที่มันมีสติมันตัดสินใจได้ขนาดนี้นะเด็ดขาดกลับไปตายที่บ้านพอกลับไปที่บ้านบัลลังขึ้นก็ตามไปเยี่ยมต่อวันที่ตามไปเยี่ยมเนะไปช่วงบ่ายพอก็ได้ยินเสียงรถจอดปับ๊บเขาก็นั่งสร้างจังหวะของเขาพระเข้าไปโอ้นี่นั่งสร้างจังหวะ เขาทาให้ดูเขามีสติอยู่วันนั้นก็รับประทานยานะมียาอะไรดีๆเอามาเลยจะรับประทานนะที่ผ่านมาก็เป็นเภสัชกรเขาเลือกยาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอะไรเขารู้เรื่องยามีความรู้แต่วันนั้นก็ตัดสินใจว่ายาอะไรก็มาเถอะยังไงมันก็ไม่หายแล้วพูดง่อยๆเอามาได้เลยแล้ววันรุ่ขึ้นเนี่ยเขาก็ตายอย่างแบบเด็ดขาดมาก ที่ว่าเดดขาดก็คือเขาสั่งว่าใรกลก็ตามที่เข้ามาแล้วก็ร้องไห้เสียใจเนี่ยแม่ไม่ต้องให้เข้ามาหรอกนะออกไปห่างๆเลยไม่ต้องให้เข้ามาจิตเขาตกหมดเวลาจิตมันปกติเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันมีพลังมีกําลังใจมันพร้อมตายตกกระไดผ่ากระโจนเสร็จแล้วเขาก็ขอกอดแม่เป็นครั้งสุดท้ายแม่ขอกอดแม่นะ รักแม่ที่สุดในโลกเลยกอดแม่แล้วก็ตายคาตักแม่ก็ไม่ได้ร้องไห้ลูกก็ไม่ได้ร้องไห้เนี่ยเก็เรียกว่าควรมีฝีมือก็เลยเห็นว่าบางทีเนี่ยะนะเรื่องนาของการฝึกสติเนี่ยมันจะทำให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นการสวมดมนตะ์เพื่อ น, น้อมเข้ามาใส่ใตัวนะดีมีประโยชน์ทีเดียวเนี่ยน้ำในแทงเนี่ยน้ำในโอกเนี่ยเคยเอาไปพิสูจน์แล้ว ฟังเสียงเทศฟังเสียงสวดมนต์ทำวัดคำพูดดีๆพลังของน้ำรับรู้หมดเลยโมเลกุลของน้ำเนี่ยเคยมีประเทศญี่ปุ่นเขานําไปแช่แข็งตัวแทนน้าของประเทศไทยคือวัดป่าสุโกโตนะเก็บตัวอย่างไปตอนนั้นเอาที่สละไก่ไปการทําวัดสวดมนต์สมัยก่อนยุ ก, ก่อนเนี่ยเราทําวัดที่สละไก่ตอนหลังนี่ปรับปรุงมาเป็นที่อยู่อาศัยชั้น ชั้นสองนะอ่าชั้นสชั้นหนึ่งก็คือใต้ดินนะจอดรถชั้นสองก็วางพุทธลูปอยู่ชั้นสาก็เป็นที่พักเมื่อก่อนชั้นสองอยังทําวัดสวดมนต์กันที่นั้นที่นี่ยังไม่มีก็จะมีโอง่งนะโอง่งที่ตั้งอยู่ด้านโน้นนะก็จะตั้งโดยรอบเสร็จแล้วก็จะฟังเสียงสวดมนต์อยู่ทุกวันเก็บตัวอย่างไปปรากฏว่ า, วามันเป็นประกายแหวนเพชรนะ เราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อน้ําคํำคำําพูดนะน้าคำํำที่มันเป็นคําพูดมาจากองค์สมเด็จพระเจ้าคือตัวบนที่เราสวดกันน้ําใจน้ําลายมันกระทบกระเทือนเป็นพลังงานเป็นน้ํานวลเป็นเรื่องของราศีลักธนัเป็นเรื่องของน้ําที่อยู่โดยรอบมันส่งถึงกันได้เขียนเข้ามาปีศาจมันก็บิดเบี้ยว เขียนคำด่าไปมันก็บิดเบี้ยวเวลาเขียนคำชมก็ไปขอบคุณค่าขอบคุณครับเอามันดีขึ้นไหมก็แสดงเป็นพลังของชีวิตที่มันเป็นสิ่งเดียวกันระหว่างน้ําใจคนน้าคําของคนแล้วแสดงออกมาเป็นน้ำนํำนวลคนใจดีเป็นเงินคนใจร้ายเป็นเงก็ออกบนใบหน้าราศีลักษณะก็ดูไม่อยากนักแล้วก็จึงเรียกว่าเก็บเกี่ยวกันโดยเพราะเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ มันเป็นภาษาธรรมภาษาธรรมชาติความรู้สึกตัวหลายคนช่วงปีใหม่นี้มาก็พูดถึงเรื่องจะมาฝึกสติถามกี่คนกี่คนสุ่มตัวอย่างแล้วก็ปล่อยให้ปฏิบัติ่งเงียบเชียบดีมากเดินกันทั้งวันแล้วก็ตอนเย็นลองถามบางคนถ้าจะพูดประโยคนึงจะว่าไงบางคนก็พูดว่าเออก็เหมือนเดิมปีใหม่กับปีเก่าก็เหมือนเดิม เฉยๆเมื่อเย็นนะนะบางคนก็บอกว่าก็ก็รู้เป็นปัจจุบันไม่ได้มีอดีตมีอนาคตปีใหม่ปีเก่าไม่ได้เกี่ยวพูดมาเองจะคิดพูดหรือว่าพูดโดยสภาวธรรมตัวเองก็รู้ตัวเองดีบางคนก็พูดว่าเออมันได้พัฒนาจิตจริงๆไปปฏิบัติธรรมการนั่งสร้างช่วงว่าได้เดินจงกรมมันดีขึ้นกว่าเก่าอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้ น, นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรามาปฏิบัติก็ต้องได้สมัมผัสนะ ธรรมชาติเดยวว่าธรรมชาติภายในธรรมชาติภายในมันคืออะไรธรรมะธรรมชาติภายในคือสติสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของธรรมะนะที่เราพิ่งได้สติไม่ใช่ไม่ใช่ระลึกไปในกายอย่างเดียวมาลึกถึงภาวะของพระพุทธพธรรมพระสงฆ์ก็เรียกว่าเราลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมืนเมื่อกี้เราสวดกันนะ วันนีเราใช้ชีวิตมทั้งวันล้วก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่ว่าเอาธรรมจักกะารสูตรมันก็ได้ทั้งหมดอยู่แล้วทีนี้มันก็เราลึกถึงการทำความดีความงามทานที่เราเคยทำทานมาลึกถึงกุณงามความดีนะเทวธรรมต่างๆคุณธรรมต่างๆช่วยเหลือ สัตว์สัตวสิ่งบุคคลต้นไม้ใบหญ้าคิดถึงลมันก็มีความสุขในสติเราลึกถึงมันจะไม่ได้ไปจมจะต้องเอาความสุขเก่าๆมาแสบไม่ใช่แต่หมายถึงมันระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วมันกลายเป็นเรื่องว่าจิตเราเกิดกุศลมีกําลังใจขึ้นไปนึกถึงร่างกายของเรามันนั่งมันเดินมันยืนมันนอนกายนี้น แม่งามตัวนี้สติก็ระลึกถึงเหมือนกันอย่างเช่น14บสีรล ะ, ละลึกถึงการเคลื่อนการไหวการหยุดการนิ่งเป็นกลไกลเป็นเทคนิคการปฏิบัติเพื่อดึงให้จิตมาอยู่กับกายอยู่กับรูปธรรมเพื่อเห็นรูปธรรมชัดๆภายในภายนอกยังเห็นนามธรรมชัดๆความคิดกับสรรพสัตว์สวรสิ่งมันมีอยู่รูปธรรมนามธรรมให้เห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออก ลมหายใจคือกายท้องพองยบก็บกกคือกายการเคลื่อนการไหวมือแล้ว่าเดินจงกรมก็คือกายให้เห็นจริงๆว่าเออเนี่ยมันคือกายนะแล้วมันก็ยึดถือนะเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ด้วยต่อมาคือการมีสติเห็นลักษณะของอ่าสิ่งที่มันเป็นความเป็นปกตินะ แล้วก็มันให้คุณก็เรียกว่าคุณของพระนิพพานเห็นคุณของพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยเป็นคุณอันสูงสุดของมนุษย์ที่มีชีวิตเราก็จึงเนี่ยแหะมาอาศัยเวลาอาศัยช่วงเวลาปีใหม่หลายวันเป็นบรรยุดมาฝึกหัดให้จิตของเรามันพัฒนาขึ้นาที่เรียกว่าภาวนานะั่นแหละภาวนาหรือสภาวะนานาลิมปรากฏแล้วเราก็รู้แล้วรู้อีก เก็บเอาเก็บเอ า, เอาผ่านไปผ่านไปผ่านไปเหมือนมัสสโคที่เราสวดกันเรื่องของปุถุชนมันเป็นยังไงมันเป็นของที่มันต่ำแซมมันเป็นยังไงทําแล้วมันจะเป็นทุกข์ในภายหลังมันเป็นยังไงติดยึดไกลไปเรื่องภาแล้วเราก็ผ่านตลอดก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทากรรมมาสุขารกายโยงเป็นทางสุดต่อง อัตตาคือมัธยโยเป็นทางตันส่วนผ่านตลอดนะปกติรู้สึกตัวปกติรู้สึกตัวนอันนี้เป็นมันชิมาปฏิปทาทางสายกลางทางเอกหนทางเดียวสู่การรู้แจ้งคือการฝึกสติปัฏฐานสี่หรือที่เขาเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรเดินก็คือท่องไปในกายเป็นยังไงกายของเราตั้งแต่หัวจรเท้า อาการเจ็บอาการปวดอาการเมื่อยอาการสารพัดเนี่ยเต็มแสดงออกมาเป็นเรื่องของธรรมะธรรมชาติถ้าเรารู้นะแต่ถ้าไม่รู้มันก็กลายเป็นทุกข์นั่นแหละหลงเข้าไปอาการของจิตเป็นยังไงล่ะทีเนี่ยกะเวทนามันแสดงออกมาเป็นความสุขเป็นความทุกข์มันเจ็บมันไม่ดีมันรู้สึกมันตื่นตัวอะมันดีอันนี้เป็นเวทนา มันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันเฉยๆมันผ่อนคลายดีมันเฉยๆดีไอตัวเฉยๆตัวนี้ก็เป็นลักษณะของอุเบกขาธรรมไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกข์เป็นทั้งปรมเป็นทั้งพระเป็นปรมก็คือมันเกี่ยวข้องด้วยเมตตาเฉยๆกับนะเฉยๆเมตตาก็คือเฉยๆอุเบกขาคือเฉยๆเงยมันเฉยมันเฉยพร้อมที่จะช่วยต่อไป เราก็ได้เห็นลักษณะของปฏิกยาที่มแสดงออกทางกายและก็จิตใจของเราทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาอาสุขอาทุกขเวทนาก็จะเป็นอาการที่แสดงออกเป็นธรรมชาติของกายของใจเห็นจิตของเราจิตนี่ดูยากจิตนี่มันจะมีอาการที่เรียกว่ า, วาไหวแล้วก็ไวมากดูยากเป็นนามธรรม จิตถ้ามันมีาธาตุรู้มันก็มีาธาตุว่างนะถ้ามีาธาตุหลงมันก็ไม่ว่างทันทีจิตคิดแล้วโกรธเมื่อโกรธจิตคิดแล้วโลภก็โลภจิตคิดแล้วก็หลงไปนะเป็นลนักษณะของโมหะหรือเปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานพบภูมิของคนหลงนั่นนะเหมือนสัตว์เดรัจฉานนะเหมือนกับคืนนี้เดี๋ยวใครดูนะหลังจากที่เขาจะหลงเ ข, เขาดาวกันเต็มที่นะ ประเดี๋ยวก็มีสภาพเหมือนสัตว์เดรัจฉานนะชักดิ้นชักงอจัดคอนเสิร์ตกันตีรันฟันแทงกันเดี๋ยวกีนนี้อีกหลายศพแล้วพบภูมิของเดรัจฉานมันอยู่ไม่ได้ในร่างของมนุษย์เมื่อร่างเป็นมนุษย์ใจก็ต้องเป็นมนุษย์ถึงจะอยู่ได้ด้วยกันแต่เดี๋ยวกีนนี้อีหลายคนจิตปัญญาเนีมันเปลี่ยนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันร่างมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้หรอกหาเรื่องเกิดใหม่เป็นแถวแล้ววันเนี้ยฉลองกันทั้งโลกอะตายกันทั้งโลกนะี้ยนะ ประเทศไหนที่เขาไม่ค่อยจะเที่ยวกัางคืนกันประเทศนั้นก็รออย่างเช่นพูตานเนี่ยนะคงจะไม่กี่ศพหลังพูตานเคยไปมาพอมืดป่านนี้ก็ไม่มีคนเดินแล้วบนท้องถนนตลาดร้านค้าก็ปิดเงียบหาอะไรกินไม่ได้เลยของไทยนี่ตลอด24ชั่วโมงยิงเรลาเบียร์ขนงินมาขนกันมาขนกันม า, นนมาจนคนขายเรลาขายเบียร์เป็นเศรษฐีตินอันดับในประเทศไทยอันดับสามัดับสี่ มามาวัวววควายคสีงเสียงก็ถึงแดดลง้วพวกนี้เราก็รู้แล้วเราก็อยู่ในที่ที่ปลอดภไปอย่างเช่นอยู่ที่วัดป่าสุกตก็นี้เราจะปฏิบัติธรรมกันฝึกสติฟังเสียงข้างนอกเ้าฉลองเฉลิมกันให้เขาได้ทํากันไปของเราก็ผ่านมาพอตัวลว้มันเป็นความสุขระดับที่เรียกว่ากามาคุณตัวนั้นเองกามาลมการมคุณเป็นสุดต่ําๆเพราะนั้นเราก็ยกขึ้นมาใช่ รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็น ส, สุขเกษมสารแต่คนละตัวกันจิตที่ปกติจิตที่ผิดปกติอย่างนี้นเราจะได้เห็นจิตเวลามันหลงว่าไวไปเป็นนามธรรมสติมันมันแก่ก็ต้องได้เห็นรู้เท่ารู้ทันคิดปรับรู้ปุ๊บคิดปรับรู้ปุ๊บเนี่ยถอนตัวเองออกมาทันดีทันใด้ถอนอามารู้สึกอยู่ว่ากายก็เรียกว่าสามถ ก, กรรมฐานแต่มันรู้แล้วก็ดับไปแล้วก็กลายเป็นว่ามันปกติ มันมีสติรู้อยู่มีสติรู้อยู่อนนี้เป็นลันกษณะของวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็รู้อ่านออกปฏิบัติมากมากอ่านออกเขียนได้รู้จักสภาวธรรมในตัวเราต่อมาก็คือมันก็จะเห็นลันกษณะของอาการที่เกิดขึ้นที่ยิบตาหลงเข้าไปก็เป็นอกุศลธรรมถ้ารู้มันก็เป็นกุศลธรรมอาการทุกตัวเป็นสภาพธรรมที่แสดงออกมาไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดี เช่นอยู่ๆปฏิบัติไปมันง่วงนี่วรธรรมถ้าเข้าไปถือว่าไม่ดีหลงไปในความง่วงมันก็ทําให้เราเกิดความโง่ความงี่เง่างุนงงสงสัยแล้วก็หมดเดี่ยวหมดแรงเปลี่ยสังเกตไหมเวลาปฏิบัติธรรมบางทีมันก็ตื่นได้เหมือนกันหลังจากที่เราทูซีทําต่อไปถึงง่วงขนาดไหนก็ไม่ทําตามอย่างนี้พอสักพักมันก็หลุดตื่นขึ้นมาเลย เราก็ได้เห็นล่องเห็นช่องเห็นทางเกิดความสว่างสวัยที่สุดของความง่วงคือความไม่ง่วงนั่นแหละที่สุดของความง่วงที่ก็มีการตื่นรู้ขึ้นเราก็เออมันก็ดีเหมือนกันมีเลี่ยวมีแรงเกิดกําลังใจเกิดอาการที่เรียกว่าอ่านออกเขียนได้ผ่านสภาวะทำที่เรื่องตี่เล่าผ่านแล้วผ่านอีกผ่านซ้ําๆมันก็ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นวันแรกๆมาเห็นไหมมันง่วงมันง่วงโอ้ ตอนไหนตอนไหนมันงวงอ่ะอย่าอากาศแบบเนี้ยเย็นเย็ น, ยนสลัวสลวมันชวนนอนแท้ๆเลยแต่พอหลายๆวันผ่านไปมันก็ตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นความรู้สึกตัวก็ดีขึ้นมาชัดขึ้นมารู้ได้ที่วินาทีหนึ่งรู้ครัง้งหนึ่งเสี้ยววินาทีก็รู้ทันทันทีจนกระทั่งเหมือนกับว่าใหม่ๆเดินกระทบมันรู้สึกประเดินไปเดินไปเดินไปยกมือเคลื่อนไหว มันเริ่มไปรู้นะเสื้อมากระท่าก็รู้สึกลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกกระพริบตาก็รู้สึกละเอียดลงไปละเียดลงไปกระทั่งคิดแวบก็รู้สึกนีมันจะสักขนาดไหนกันพวกเรามันก็ต้องเรียกว่าเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นกันบางทางจิตภูมิจิตภูมิทำเดินทางโลกก็มีอนุบาลเมีถมมีมัธยมมีอุดมปฏิบัติทางธรรมมันก็มีเหมือนกันใหม่ๆกำหนดรู้โดยการ กดคมอย่างงี้นะต่อมากําหนดรู้ด้วยการผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขอย่างงี้นะต่อมากําหนดรู้ด้วยการรู้ลงไปเลยว่าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่พอดูไปรดูมาอ๋อมันก็คือตัวหลงนั่นแหละตัวรู้มันก็ไม่ได้เหมือนกับว่าทําให้เสียทิศเสียทางเสียความเป็นปกติเสียความเป็นสมดุลมันก็ยังตั้งมั่นหนักแน่นอยู่ในพื้นที่มันเรียกว่าสมาธิอย่างนี้ มีสมาธิอาการปฏิบัติธรรมนะเราก็จะได้เห็นอ๋อกลุ่มของอากัส ร, รธรรมก็มีนิวรธรรมก็มีที่เรียกว่าสติสมาธิปัญญาเป็นสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิสัมมาปัญญามันก็มีมันก็รู้สึกเฉยเฉยรู้สึกเฉยเฉยเคลื่อนได้ทั้งวันนี่แหละเราจะได้ประสบการณ์หนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันกันเราก็เสริมเข้าไปอีกนะเช้าวันนี้จะมีการสวดมนต์เสริมเข้าไปอีกอลองดู มันจะเป็นสักขนาดไหนสวดมนกันอิติปิโสร้อยแปดจบใช่ไหมอาจารวัชร์ใชเออสวดกันอาจารย์วัชรพกเม็ดถั่วมายังปีที่แล้วพกเม็ดถั่วใช่ไหมเวลาจบหนึ่งเอาเม็ดถั่ววางมาเม็ดหนึ่ง ม, มันจะรู้ได้ไงร้อยแปดจบยิ่งสวดไปสวดมาเดี๋ยวพากันเบอรเอาตอนเช้านะ่ะยอมไหมไมีถึงร้อยแปดจบสักทีเลยไปแล้วเม็ดถั่วเรื่องที่เราการไม่ขีดนะ่ะจบหนึ่งเอามาวางสักอัน จับที่สองมาวางเดี๋ยวหมดร้อยแปดพอดีนีนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆมันเป็นกิจกรรมที่ทางเทระมาค ม, มันนะก็กําหนดเอาไว้กิจกรรมที่เราจะทำํำต่อไปเนะี่ยก็กำหนดให้สวดมนต์ข้ามปีทุกวัดเลยต้องทําผูงคําชาสั่งสองก็คือให้ฝึกสติปัฏฐานกันทุกวัด น, นะนีถ้าหมายถึงว่าฝึกกันได้เป็นวัดปฏิบัติผูงคําชาสั่ง ต่อมาคือวันใหม่ก็ทําบุญตักบาตรกันทราบว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องไปตักบาตรกันที่วัดธรรมอภัยหวานหมายถึงว่าที่นั้นก็เตรียมสนามมวะให้ชาวบ้านเป็นหมู่บ้านใหญ่ของเราก็อยู่ที่นี่แหละพระที่นี่ก็มีบาตรเหมือนกันที่นนท์ก็มีกันอย่างเดียว ว, วัดป่าสุขโตก็มีเหมือนกันบาตรนะองค์ละลูกองค์ละลูกเราก็รวมตัวตักบาตรตอนเชา้าชาวบ้านใหม่หรือว่าชาวบ้าน ที่มีลูกหลานบวชอยู่ที่นี่ก็อาจจะขึ้นมาใส่บาตรกันต่อไปถือว่าเป็นกิจกรรมที่สืบส า, าสนวาฒนธกันให้ศาสนายืนยาวยิ่ ง, งขึ้นไปแล้วก็โดยเฉพาะตัวที่เรียกว่าตัวปฏิบัติสติปัฏฐานนี่นะตัวนี้คือตัวที่เราสามารถที่จะกลับไปแล้วก็จะนำไปปฏิบัติต่ตอนะได้จริงๆในชีวิตประจำวันของเราต่อไปมีบางคนบางท่านเริ่มถามแล้วว่าอาจารย์ปฏิบัติแบบเนี้ย ฝึกสตินะห้ามความคิดนะแล้วเดี๋ยวกลับไปทํางานนะแล้วมันจะคิดยังไงกันล่ะคทีนี้จะวางแผนงา น, นะจะวางแผนยังไงโยมก็ยังไม่ต้องไปคิดหลอกนะอยู่ที่นี่ไปวันๆซะก่อนไอ้ความคิดที่เขาพูดนะมันมีสองอย่างความคิดเนี่ยอย่างที่หนึ่งก็คือความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจไอ้ตัวนี้ที่เรากำลังจัดการเขาเรียกว่าขยะความคิดนะไม่ได้ตั้งใจคิดมันคิดเฉยเลย หลวงพ่อเขียนท่านมีคําที่เรียกแรงๆความคิดปเบบ น, นี้ก็เรียกว่าความคิดที่เรียกว่าลักคิดแล้วก็เป็นลักษณะของโสเพณีจิตเคยได้ยินไหมหลวงพ่อทองสุขท่านเลียดยหยาบมากเลยหลวงพ่อคําเขียนท่านพูดเพราะเรียกว่าโสเภณีจิตแต่ว่าหลวงพ่อทองสุขท่านเรียกว่าจิตกะลีก็คือมันแอบไปเที่ยวอยู่ตลอดเลย ส, สัมสนจิตสัมสอนนะบางทีเราต้องการจะให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวเนะี่ยมันไปละให้คิดมันไม่คิดเนะอยากจํากับลืมอยากลืมกับจำํำเราจะได้เห็นกันนะปฏิบัติโอ้เดี๋ยวคืนนี้ลองดูนะอาจาบาจะบอกให้ประเดี๋ยวหลังทําบัดเนะี่ยประมาณทุ่มหนึ่งไปเรื่อยๆนะลองปฏิบัติไปเรื่อยๆนะเวลาที่ยังง่วงเนะียใครเคยนอนไม่เกินสามทุ่มจะเริ่มง่วงก่อนละตาหนักๆพอสามทุ่มสี่ทุ่มนะจะง่วงมากนะะ แล้วประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยคราวนี้จะมีอาการทาสแปลปวนทานลมเนี่ยป่วยไงจะเดินไปตอดไปอ่ะนะคืนนี้นั่งไปก็ตอดไปนะปดปดแปดแปดปดดแปดแปดนะคืนนี้เดี๋ยวใครดูนะสังเกตได้ดีนะยและเดี๋ยวใครดูพอเลยส1เอดโมงเอาเตือนละคเนี้ยยิงเลยทิ่งเครื่องคืนตื่นตัวมากเลยบางทีเนะ่เดี๋ยวลองปฏิบัติต่อจนถึงสักตีหนึ่งนะ เราจะเดี๋ยวตีนหนึ่งก็ น, นอนสักสามชั่วโมงสามชั่วโมงในพอดีกําลังอิ่มๆหรือว่าตีนหนึ่งไปนอนก็ไดนะ้สวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติที่สุดหน่อยแล้วเราไปนอนตีนหนึ่งนะหลับปุ๋ยเลยสบายเลยประมาณสี่ชั่วโมงก็เรียกว่านักปฏิบัติธรรมนนอนสี่เสถีเนี่ยนอนหกชั่วโมงทายาจกอ่ะแปดชั่วโมงขึ้นไปใครเข้าขายยาจกก็ลองดูตัวเองเอามาที่นี่ก็ลองนะให้มันเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานกัน เป็นชีวิตใหม่ม อ, อวันใหม่มาแล้วก็ขอให้มัผ่องแผ้วสดใสเราจะได้มีสติมีสมาธิปัญญาเป็นหลักมันไว้เดินไปตามรอยพระเจองค์จะเกิดมาเป็นคนจนรวย เ, ออเดี๋ยวแก่มอดมวยแก่ตายเป็นผีนก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็เหลือแต่เรื่องของมรรคผลนิพพานที่เราย่องเอาติดตัวกันไปสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนนัพาไปไอ้บุญไอ้บาป แต่ถ้าเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวก็นั่นหมายถึงว่าอพอมีหวังตัดพบตัดชาติกันได้ให้มันหมดสทีเหมือนกับว่าห่งชาตินี้มันชาติสุดท้ายของเรากันดีกว่าไหมมันน่าเบื่อจะทายชีวิตของเราะดังนั้นในวิถีขึ้นปีใหม่อาตมาก็คงจะให้พรยอมเย็นนี้เลยเผื่อเดี๋ยวเกินนเ ด, ดนีงง้ทำบัตเสริมวันนงหายทองตายอยางเนี่ยไม่ได้ให้พรกันพอดีอยอม มันเข้าไข่จะตายปีนี้หรอมั้งดูๆแล้วตลอดได้กัเดี๋ยวขอต่อวิซ่าอีกงีอ่ะพรก็คือก็ขอให้มีจิตที่สดใสผ่องใสนะแล้วก็มีกายที่มีกําลังนะแล้วก็ขอให้ผลองการวิบัติเกิดคุณธรรมแล้วก็ให้เราเป็นมนุษย์เป็นคนที่สามารถที่จะรักคนได้ทั้งหมดทั้งโลกเลยจะได้ไม่ต้องกลับไปทะเลาะ ก, กันบางคนตั้งใจที่จะกลับไปเป่านกวีดนะี่ขอร้องก้วนนะ ไม่ต้องไปฮะแต่จะไปสนับสนุนเห็นก็าเจ็บไข้ไม่สบายเห็นก็ไม่มีอาหารก็ไปช่วยกันหน่อยคนไทยด้วยกันช่วยกันก็ขอให้เรื่องของมรรคผลนิพพานนะแล้วการเดินตามรอยของเรานะเดินได้ตรงหลักของสติปัฏฐาน4จนทั้งเกิดปัญญาเห็นแจ้งขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะทํามรรคผลนิพพานให้ถึงที่สิ้นสุดแห่งกองทุกข์มีแต่ความสุขเกษมสารในชีวิตน โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกรูปทุกนั้นเธอ